ก็จเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันที่ได้ปารบการทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสุงสงซึ่งเป็นกิจที่เนื่องในบุญกุศลในทางพุทธศาสนาไม่ต้องพนมมือก็ได้นะมือลงต่อไปก็เป็นกิจของการฟังธรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศล เราได้ทําบุญกุศลในวันนี้เป็นบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานทานก็มีขอบเขตของการส่งผลคือนํามาซึ่งพกข้าัพท์สมบัติแต่การฟังธรรมจะเป็นบุญกุศลที่ก่อให้เกิดสติปัญญาเกิดการเรียนรู้และทําความเข้าใจเป็นการทําความเห็นให้ตรงการทําความเห็นให้ตรงนี้เองเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเพราะโดยปกติคนทั้งหลายจะมีความเห็นที่ไม่ตรง ความเห็นที่ไม่ตรงจะทาให้เกิดความคิดที่ไม่ตรงความคิดที่ไม่ตรงจะทำให้เกิดการกระทาและคำพูดที่ไม่ตรงจิตเราก็จะไม่มีสติแล้วก็จะไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่มีสติและไม่มีความตั้งมั่นจะนำมาซึ่งโทษต่างๆนานาประการการทำความเห็นให้ตรงจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตจิตใจของมนุษย์และความเห็นการที่จะทำความเห็นให้ตรงได้นั้นก็ต้องอาศัยการฟังธรรม เพราะธรรมะเป็นสิ่งเดียวที่เป็นสัจจะนอกจากธรรมะไม่มีอะไรเป็นสัจจะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ประกอบกันรวมตัวกันแปรปวนไปตามวิถีแห่งความเป็นสังขารธรรมแต่ตัวธรรมะเป็นสิ่งที่คงอยู่มีอยู่เป็นสัจจะโดยตลอดการอุ้ยเข้ามาอ๋อวอลเกอร์ตัวนี้เป็นของ่อนี่แม่ ถึงว่าเนื้ว่าเป็นของใครออกเปรียบคนอื่นมีเัืงสี่ 6, ขาหกขาน่งเ <laughs> พราะความที่ธรร ม, มะมีความเป็นสัจจะในตัวของธรร ม, มะนั้นนั่นเองนะผู้ได้เจ้าได้ตัดสรุปธรร ม, มะนี้คือความเป็นสัจจะอันนี้และนะนนำมาบอกมาสอนนะมนุษย์ทั้งหลายมีความเป็นอยู่ชีวิตในโลกนี้ย่อมมีความเป็นอยู่ โดยการแสวงหาและก็พยายามดํารงชีวิตให้มีความสุขแต่ในความสุขทั้งหลายที่พระทิเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วโฮงจึงทราบว่าการมีความสุขอยู่ในบโลกใบนี้หากมีความสุขอยู่เพียงแค่การดํารงชีพด้วยการมสุขและสุขที่เป็นการมสุขนั้นเป็นสุขที่ไม่ยั่งยืนมนุษย์ทั้งหลายก็จะลำบากในการแสวงหาการมสุขเหล่านั้นที่ไม่มีทางสิ้นสุด เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนนั่นหมายถึงว่าความสุขที่อยู่บนโลกมนุษย์นี้เป็นความสุขแค่ชั่วคราวหากไม่มีการสร้างขึ้นเราก็จะไม่ได้รับความสุขการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสร้างโดยการทำมาหากินแสวงหาทรัพย์สมบัติหรือพกทรัพย์มาต่างๆเหล่านี้เป็นกวามาสุขที่เป็นไปเพื่อเครื่องบรรเทาทุกข์ในชีวิตที่เราเป็นอยู่การบรรเทาทุกข์เราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นแค่เครื่องบรรเทา มันเท่าก็คือยังไม่สามารถดับทุกได้อย่างแท้จริงเพราะตัวความทุกข์ที่แท้นั้นมันอยู่ในจิตไม่ได้อยู่สินภายนอกพอความทุกข์มันอยู่ในจิตเรานั่นเองที่มันดิดน้นรนเดือดร้อนและให้เรากระทําการต่างๆเป็นไปเพื่อความวุ่นวายและยุ่งเหยิงเราจรึงจะต้องมาทําความเห็นให้ตรงตามหลักคําสอนทําไมพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในรสมบัติก่อนที่พงค์จะตัดสรู้อยู่ในรสมบัติพองค์ก็ อยู่ในการมาสุขที่เพียบพร้อมแล้วทุกอย่างแต่ทําไมพระ อ, องค์จึงมองว่าสุขเหล่านั้นเป็นสุขที่ไม่มีความสุขหมายถึงว่าชีวิตพระ อ, องค์มีความสุขจริงอยู่แต่ในความเป็นสุขที่พระ อ, องค์เป็นมันไม่ได้มีความสุขคําว่าไม่ได้มีความสุขนั่นหมายถึงว่าความทุกยังเกิดขึ้นในจิตของพระ อ, องค์ได้อยู่นั่นจึงเป็นปัญหาหนึ่งที่พระ อ, องค์จ ะ, สะแสวงหาความสุขที่แท้ การที่จะเจอความสุขที่แท้ก็คือการได้รู้จักคําคําสอนหรือสัสจจะเพราะสัจจะจะเป็นเครื่องดับทุกข์มีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะดับทุกข์ในจิตในใจแล้วด้ยวอย่างแท้จริงคือสัจจะจจหรือว่าธรรมะนั่นเองสัจธรรมหรือว่าธรรมะหรือว่าสัจธรรมเป็นของคู่กันสัจจะแปลว่าสิ่งที่คงที่เที่ยงแท้แน่นอนธรรมะคือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงอย่างเที่ยงแท้แน่นอนเลยมีอะไรและการรู้เห็น ในสัจธรรมเหล่านี้ทําไมถึงสามารถดับทุกข์ได้เพราะฉะ น, โฮโฮโฮนั้นในหลักคําสอนโหโ o งนั้นการที่พรง์ทรงสอนก็เพื่อที่จะให้เราตั้งความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริงของชีวิตเรามาเข้าใจชีวิตคือตัวกายกับจิตของเรานี้ว่าเราจะหาความสุขได้ในกายกับจิตนี้หากกายกับจิตนี้อยู่ดีมีสุขเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆนาน า, นาประการนที่เป็นเครื่องอํานวยผลในเรื่องของความสุขทั้งหลาย เราก็คิดว่าชีวิตเราจะมีความสุขในเมื่อเรามีความเห็นว่าเราจะสามารถเอาความสุขในกายในจิตนี้ได้แล้วเราก็กระทำสิ่งต่างๆเพื่อต่อสอนองทางกายทางจิตมันจึงเป็นปัญหาที่วนเวียนอยู่ในชีวิตที่เราต้องทาอยู่ไม่มีทางสิ้นสุดนั่นก็คือเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์อย่างหนึง่งเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีการไม่มีจิตเราจะเอาความสุขมาจากไหน เราจึงต้องมีการสร้างกายสร้างจิตขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องรองรับความสุขในการที่เราจะต้องแสวงหาเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกแน่ น, นอนว่าชีวิตมันมีความสุขจริงอยู่แต่มันเป็นความสุขที่ยังไม่แท้จริงคือยังไม่ใช่สัจจ์นั่นเองวงใดคนพบความสุขที่เป็นสัจจ์คือความสุขอย่างทาววรความสุขสาวรที่วงทรงกล่าวถึงก็คือนิพพานะนิบานะังนิบานะังนิบานะังหรือว่านะิพพานเะนีนะ่ยไม่ใช่โลกมนุษย์ไม่ใช่เทวโลกไม่ใช่ภพมโลกและไม่ใช่โลกไหน แต่เป็นการที่จิตของเรานั้นไม่มีการก่อเกิดในรูปประพบอารูปประพบอีกหมายถึงว่าไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในจิตแล้วดับการเกิดที่จะเป็นไปเพื่อให้มีกายมีจิตอีกอย่างเงี้ยคือระดับไม่ต้องอาศัยกายอาศัยจิตก็คือไม่อาศัยความสุขในกายไม่อาศัยความสุขในจิตนั้นนั่นแหละการยุติภพชาติทั้งมวลได้ จึงเป็นความสุขอย่างทาวอนเพราะนิพพานังประมังสุขังนิพพานได้ชื่อว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะในนิพพานนั้นไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณเมื่อไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีทุกข์เพราะความที่เรามีทุกข์อยู่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออาการที่เกิดในใจ แล้วอาการที่เกิดในใจเราตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนถึงเข้านอนและก็วันใหม่อีกอาการเหล่าน so ั you want, ้นก like. you know er no. so ็ม <c oughs> ีสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างทรงจําในเรื่องบางเรื่องที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างคิดไปในเรื่องบางเรื่องที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างรับรู้ในเรื่องราวต่างๆหลากหลายเรื่องที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างชีวิตเราจึงไม่สามารถเป็นความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะเราจะต้องมีสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างบนเวียนอยู่อย่างนี้ แต่นิพพานไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณหรือไม่มีกายไม่มีจิตเมื่อไม่มีกายไม่มีจิตก็ไม่มีสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างในนิพพานไม่มีเพราะตัวที่แสดงออกถึงความสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างก็คือตัวกายกับจิตนี่เองพระเจ้าจึงตรัสสอนความสุขอันที่เป็นบรมคือสูงสุดหรือยิ่งบรมไปบ้างอย่างยิ่งหรือว่าสูงสุดก็คือนิพพานนั่นเอง เพาเราะนั้นเป้าหมายของผู้ศาสนาจึงไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่พรหมแต่คือนิพผานนั้นเป็นที่ดับทุกทั้งปวงการตั้งความเห็นให้ตรงในกายในจิตว่าเพราะเรายึดถือในกายยึดถือในจิตเราจึงสําคัญมั่นหมายในตัวกายตัวจิตและสําคัญมั่นหมายในสิ่งอื่นอีกที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเราว่าเป็นของเป็นของของเรากายเป็นเราจิตเป็นเราสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกายและจิตสิ่งนั้นจะเป็นของของเราเราจะมีของเราแล้วก็มีจะมีตัวเราและของของเรา ตัวเราและของของเรานี่เองที่เกี่ยวโยงกันอยู่สืบเรื่องกันอยู่เราจะแยกออกจากตัวเราและของของเราไม่ได้เลยเพราะอุปทานมันบอกให้เรายึดถืออยู่ว่า น, นี่เรานี่ของของเราก็เป็นธรรมดานั่นคือวิสัยของมนุษย์ทั่วไปที่ต้งยึดถืออย่างนั้นและเพราะความที่วิสัยมนุษย์ทั่วไปยังมีอุปทานอยู่มนุษย์จึงจะต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องนําพาให้ชีวิตเป็นไปในทางที่ดีในวัตาะเพราะว่าชีวิตของเราไม่สามารถอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดกาลเราจะมีการเกิดอีก แล้วก็รอชีวิตอีกแล้วก็เกิดอีกแล้วก็รอชีวิตอีกแล้วเคยเกิดตายเกิดตายเกิดตายมาไม่รู้กี่พกี่ชาติในชาตินี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกคราวครั้งหนึ่งและเราก็ได้ได้เจอพุทธศาสนาได้นับถือพุทธศาสนาและปารบการทําบุญกุศลเช่นในวันนี้ได้ปารบการทําบุญสังฆทานปลารบการทำฟังเทศฟังธรรมเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลและทางที่ดีที่สุดก็คือเพิ่มดวงตาปัญญาเห็นธรรมคือการตั้งความเห็นให้ตรงในกายในจิตว่าภาระ ต่างๆที่เราเป็นอยู่ในเวลานี้เนื่องมาจากความมีอยู่ของกายของจิตนี่เองทําไมความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์สงพระชนอยู่อายุ80 000, พันรรษาเนี่ยอายุ80 000, พรรษาเนี่ยพงค์ตอนนี้ไม่มีกายไม่มีจิตแล้วทุกข์ที่เกิดเกิดเกิดกับพระองค์ก็ไม่มีในคราวที่พระองค์ยังมีกายมีจิตอยู่พระงค์ก็ยังมีทุกข์อยู่ถูพระเทวทัต ก, กิ่งก้อนหินทับนะ เศษก้อนหินปิวมากระทบหลังพระบาทก็ปูดบวมขึ้นมาโลหิตท่อก็ปวดเจ็บปวดทุกเหมือนกันกล่าวกับพระอานนุ์ว่าเราเจ็บเราปวดหรือว่าเดินทางไกลพงศ์ก็บอกก่าวกับพระ อ, อ น, นุนว่าเราเมื่อยหลังเราหิวเราก็หายก็คือความทุกข์ยังปรากฏในกายในจิตของพงศ์แต่ความทุกข์นั้นไม่ใช่ความทุกข์เพื่อสืบต่อทุกข์นะเป็นความทุกข์ที่พงศทรงดับไปหมดแล้วเป็นความทุกข์ทางกายทางจิตซึ่งเป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติอย่างเช่นคุณแม่ ปวดขาปวดเข่าเดินอย่างเงี้ยมันแสดงขึ้นในกายในจิตเมื่อไม่มีกายไม่มีจิตตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่มีกายไม่มีจิตแล้วโพลเข้าสู่นิพพานทุกไม่มีกับพระองค์ความมีกายมีจิตมีอยู่ที่ไหนบ้างก็มีอยู่ในโลกมนุษย์นี้มนุษย์โลกนี้เทวโลกภพโลกก็มีกายมีจิตสัต์สัตวโลกเทระชานโลกเปตระโลกอสูรกายโลกแล้วก็นรกโลกพวกนี้มีกายมีจิตก็ยังมีทุกข์อยู่ แต่ขยทุกมากทุกน้อยมันเป็นความทุกข์ที่พิเศษแตกต่างกันไปตามฐานะตามวาละตามส่วนแห่งบุญที่บุคคลได้สังสมไว้ภายในจิตจิตหนึ่งดวงไม่ใช่ว่ามันจะมาเป็นจิตได้โดดโดดห้องมันมันต้องมีอะไรสะสมอยู่ภายในซึ่งซ่อนอยู่มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจิตของคนเราจึงมีความดีอยู่ภายในตนเองอยู่แล้วบุญกุศลเพียงพอถึงจะได้มาอยู่ในร่างกายของความเป็นมนุษย์หากบุญกุศลไม่เพียงพอ ไม่มีทางที่จะได้รับความเป็นมนุษย์ขึ้นมาจิตดวงนี้ที่อาศัยอยู่ในร่างกายในเวลานี้ล้วนแล้วแต่มีมูลเหตุมาจากบุญกุศลมาแต่เบื้องหลังที่ทําให้เราได้มาอาศัยความเป็นมนุษย์จูจิตบางดวงไม่มีคุณค่าพอที่จะเป็นมนุษย์เขาเข้าไปอยู่ในร่างของสัตว์เดรัจฉานจิตไปอยู่ในร่างของเปรตจิตไปอยู่ในร่างของอสุรกายจิตไปอยู่ในร่างของสันนรกนั่นคือบุญน้อยหรือว่ากรรมมันมากบาปมันมากนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบเหตุปัจจัยแห่งชีวิต ในความเป็นอยู่คือการมาเกิดและความดำรงอยู่คือการเป็นอยู่ในเวลานี้และความเป็นไปหมายถึงว่าล่าชีวิตไปแล้วว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้นมาจากบุญกุศลหรือคุณงามความดีนั่นหมายถึงว่าเรากําลังทําสิ่งที่จะส่งผลให้ชีวิตเราเป็นไปในภายภาคหน้าในทางที่ดีแต่อย่าลืมว่าธรรมะได้สอนให้เรามีความเห็นตรงว่าเมื่อมีการเกิดอีกมีกายมีจิตอีกเราจะต้องมีทุกข์อีกเมื่อมีทุกข์อีกแน่นอนว่าเราก็ต้องบุ้นวายอยู่กับชีวิตที่มันมีทุกข์นั้นอยู่ไม่หยุดไม่หย่อน เพราะนั้นในหลักสัจธรรมจึงสอนให้เราได้เห็นว่าการไม่เกิดนั่นเองจึงได้ชื่อว่าเป็นสุขท่านไงถึงจะไม่มาเกิดได้ให้เรารู้จักกายตามความเป็นจริงว่ากายธาตุแท้ของกายคืออะไรรู้จักจิตว่าธาตุแท้ของจิตคืออะไรกายก็คือสังขารธรรมอันหนึ่งในเรื่องของรูปจิตก็คือสังขารธรรมอันหนึ่งในเรื่องของนามกายกับจิตคือรูปกับนามอาศัยอิงกันอยู่นี้จัดเป็นสังขารธรรมในส่วนรูปส่วนนามสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่ยั่งยืน สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่คงที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของต้องแตกสลายเพราะฉะนั้นการได้สังขารทั้งกายทั้งจิตทั้งรูปทั้งนามมาเราคือได้สิ่งที่แปรปวนมาได้สิ่งที่ไม่คงทนถาวรมาแล้วก็ได้สิ่งที่แตกสลายมาและเราก็สัมผัสหรือวัดรับทราบในความไม่คงทนถาวรอยู่แล้วเช่นแต่ก่อนคุณแม่แต่ก่อนร่างกายก็ดีไม่ค่อยได้เจ็บไม่ได้ค่อยได้ป่วยร่างกายแข็งแรง แต่ตอนนี้นี่ก็เจ็บก็ป่วย ก, การเดินก็ลําบากอันนี้คือความไม่เที่ยงในร่างกายที่ปรากฏอยู่แล้วเกิดกับเราเพื่อจะให้เราสอนทำมาให้เราได้เข้าไปเห็นอ๋อเราได้ร่างกายมาก็คือได้ความไม่เที่ยงมาเราได้ร่างกายมาก็คือได้ความไม่คงทนถาวรมาและอนาคตการหน้าร่างกายนี้จะรอวันแตกสลายก็คือเราได้ร่างกายพื้นได้สิ่งที่มันต้องแตกสลายมาเพราะนั้นการที่เราปรารถนาให้มีร่างกายด้วยการที่มันไม่เที่ยงไม่คงทนถาวร ไม่คงทนทาวบแล้วก็ต้องแตกสลายอีกในภายภาคหน้าเราก็ต้องพุกกับมันอีกอยู่อย่างนี้การที่เรามารู้ความจริงในสังขารธรรมในเรื่องของกายของจิตนี้นี่เองจะทําให้เราเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาในการที่เราจะไม่พอใจในการเกิดการไม่พอใจในการเกิดอันนี้พระพุทธเจ้าบอกเป็นสมาธิอันดับแรกที่โองค์ทรงกล่าวสอนว่าชาติปีทุกขาการเกิดเป็นความทุกข์โพงค์สอนให้เราได้เห็นอ๋อที่เรามาทุกข์มายากมาลาบากมาเจ็บป่วย ในร่างกายนี้เป็นรังของโรคในจิตนี้ก็เป็นที่รวมรวมของทุกเพราะมีโรคจิตก็ไปแบกรับความทุกข์อันเกิดจากโรคภัยต่างๆนานาเพราะเราได้มาแล้วเราจะปฏิเสธไม่ให้มันไม่เกิดไม่มีไม่ได้มันต้องเป็นมันต้องมีมันต้องเกิดอย่างเงี้ยนั่นคือความเป็นจริงของสังขารธรรมทั้งหลายเมื่อเราไม่พอใจการเกิดดับการเกิดได้ด้วยการทําความเ ห, ให็ให้ตรงในกายในจิตเมื่อนั้นจิตเราจะสัมผัสกั บ, กบสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ เขาว่าสัมผัสกับพระนิพพานแต่เราจะต้องเห็นกายเห็นจิตอย่างของแท้ยำยำซ้ำําๆอยู่เรื่อยๆอยู่เป็นประจำและอยู่สม่ําเสมอเนืองเนืองผู้องค์งจึงบอกว่าหากเราเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของกายสังขารและจิตตสังขารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่บ่อยๆเนืองเนืองแล้วการที่บุคคลกระทํรายการรู้แจ้งอย่างนี้อยู่เสมอจัดเป็นไปเพื่อการทําอาวะอาสวะให้สิน้นอาสวะคือการไหลไปของ ความหลงในการยิดถือในกายในจิตบุญกุศลเป็นสิ่งที่ดีเพื่ออานวยผลในวตาสงสารแตอ่อริยมรรคคือทางแห่งการดับทุกข์คือไปพันิพานนั้นนะจะเป็นผลดีในการที่จะไม่นําเรามาสู่การเกิดอีกนั่นคือความสุขอันถาวรเรียกว่านิพพานสุขนะสุขที่เกิดจากการดับความทุกข์ได้นี่คือสาระสาคัญที่พระองค์ทรง สอนศาสนาไว้เพื่อให้เรายึดถือปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติทั้งใน2 ส, ส่วนส่วนของบุญกุศลคือส่วนหนึ่งส่วนของการดับภูมิคือส่วนหนึ่งนั่นคือหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อเราได้รับฟังคําสอนจากพระาศาสดาผู้คงทรงกล่าวสอนอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะรับมาเป็นสาระแก่นสารในการที่เราจะรับผิดชอบตัวของเราเองรับผิดชอบตัวเองให้เป็นไปในภาคหน้าโดยการสร้างบุญกุศล รับผิดชอบตัวเองโดยการดับทุกข์ให้กับตัวเองโดยการเดินตามมรรคหรือสร้างอริยมรรคสร้างสร้างความเห็นได้ตรงในกายในจิตนี้เราก็จะสามารถดับความทุกข์ในใจของเราได้ทั้งหมดและไม่ต้องมาทุกข์กับมันอีกไปตลอดอนันตากาลอธิบายทํามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในวันนี้เอวังอขออํานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบรนดาลบุญกุศลที่เกิดจากการถวายสังฆทานเมื่อเช้านี้บุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังธรรมเทศนาะ บุญกุศลที่เกิดจากการแสดงธรรมของอาตมาขอบุญทั้ง3าประการนี้จงรวมกันเป็นมหาเดชานุภาพมีฤทธิ์เบญุภาพมาลายสิงชั่วร้ยทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากบ้านหลังนี้มาลายสิ่งชั่วร้ยทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากชีวิตของพวกเราจงบันดาลสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตจงบรรดาลสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่สถานที่แห่งนี้และขออนุภาพแห่งบุญนี้จงหนุนนําจิตใจของพวกเราจงเป็นผู้ก้าวล่วงภัยพิบัติทั้งปวงจงก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวง จงก้าวล่วงความเดือดร้อนทั้งปวงจงเป็นผู้เข้าถึงความสุขความเจริญในเบื้องหน้าเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานเจริญด้วยวันณัมีผิวพรรณผ่องใสเจริญด้วยสุขามีความสุขกายสบายใจเจริญด้วยภาร ะ, ะมีกําลังบังชาสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนทุกคนเทิน